ศีลาจารวัตเธอควรปฏิบัติต่อกลุ่มทางศาสนาและต่อโลกด้วยทานและปิยาวาจาด้วยพฤติกรรมที่มีคุณค่าและพฤติกรรมที่สอดคล้องกลมกลืนเพียงคำพูดที่ซื่อสัตย์ของกษัตริย์ก็ย่อมเป็นที่เชื่อถืออยู่แล้วในตัวมันเองดังนั้น การพูดเท็จจึงเป็นสิ่งที่จะทำลายความเชื่อถือได้มากสิ่งที่ไม่หลอกลวงคือความจริงมันไม่ใช่การเสแสร้งปรงแต่งสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นคือความเป็นจริงสิ่งตรงข้ามคือความเท็จซึ่งไม่เป็นประโยชน์แค่เพียงทานกุศลที่ดีเลิศครั้งหนึ่งก็สามารถช่วยลบล้างความผิดพลาดของกษัตริย์ได้ แต่ความละโมบกลับทําลายทรัพย์สินของผู้อื่นบนความสุขขุมสงบสงี่ยมมันเป็นความลึกซึ้งละเอียดอ่อนเพราะความลึกซึ้งละเอียดอ่อนย่อมทําให้เกิดความเคารพนับถืออันสูงสุดเพราะความเคารพนับถือย่อมนํามาซึ่งอิทธิพลและอํานาจดังนั้นจึงควรมีความสุขขุมสงบเสงี่ยมเพราะปัญญา บุคคลย่อมมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หลงวางใจคนหนักแน่นและไม่ลวงหลอกดังนั้นพระราชาท่านจงอาศัยปัญญาอยู่เสมอเถอพระพุทธองค์ทรงมีคุณธรรมสี่ประการคือซื่อตรงสุจริตใจกว้างสุขุมสงบส ง, งีม่มและปัญญาเป็นสิ่งที่ได้รับการบูชา ทั้งจากมนุษย์และเทวดาอันเป็นคุณธรรมสี่อย่างเพื่อ น, นำไปปฏิบัติ